ช่วงเช้าวันนี้ว่าจะาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยว ก, ก, กับเลียสัตว์เกี่ยวกับประเพณีอย่างไรซึ่งเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแต่ที่นี้ถ้าหากพวกเร า, าแก้รหัสไม่ออกเราก็จะงงหรืองม ง, งายไปเลย เพราะว่าระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์มันจะปลัดกันเป็นยุกยุคไปยุคไหนที่ศาสนาพุทธเจริญศาสนาพราหมณ์ก็อับด้อยลงไปยุคไหนพอศา ส, สนาพุทธเสื่อมศาสนาพราหมณ์ก็จะเด่นขึ้นมาศา ส, สนาพุทธเ น, นี่ยเหมือนเหมือนเนื้อในศา ส, สนาพราหมณ์เนี่ยเหมือ น, น, นเปลือก เราจะเห็นว่าต้นไม้บางต้นที่ไปอยู่ที่รวมสมบูรณ์เกินไปเนี่ยผลมันจะไม่ค่อยติดมันก็จะมีเขาเลือกมันเฟื่อใบถ้าเป็นต้นข้าวก็ได้ตัดใบทิ้งเพื่อให้มันเกิดดวงหรือถ้าเป็นต้นผลไม้ก็ได้ตัดได้แต่งออกเพื่อให้มันมีผลเหมือนกันในตัว ยุคใดสมัยใดที่มันมีความสมดุลผลมันเยอะหมายถึงพุทธศาสนาอายุใดสมัยไหนผลมันน้อยเ ฟ, ฟือดอกเฟือใบเยอะแต่ไม่มีผลเหมือนศาสน า, รา mm hmm. พราหมณ์ประเพณีก็เหมือนกันถ้าหากว่าพุทธศาสนารุ่งเรือ ง, งเจริญเติบโตคนยุคหลังๆต่อมาก็มอยสวยผล ความเจริญอนั้นต์แล้วละเลยในส่วนที่เป็นสาระพุทธศาสนาก็เสื่องไปมาเป็นพรามพุทธศาสนาก็จะเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์เป็นเพียงรหัสนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันก็ผลัดกันเจริญผัดกันเสื่อมอยู่นี้เพราะเป็นธรรมชาตินะอย่างเส้นเราพูดถึงวันก่อนเรื่องของเวทนาทั้งสามตัวนี่ มาเกี่ยวข้องด้วยอริยสัจอย่างไรสัมพันธ์กันหมดอที น, นี้ในในภาคที่เป็นพุท ธ, ธธรรมก็คือมาเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นปรมาติ์เป็นธรรมสาระภายในทีนี้พอธรรมสาระอันนี้คนที่ปฏิบัติไม่ถึงหรือปฏิบัติ ไม่เข้าใจจะด้วยเวลาไม่พอสติปัญญาไม่พอหรือศรัทธาและความเพียรไม่พอก็ตามมันก็ค่อยอแปลสภาพเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีนะอย่างที่เราเชื่อว่าถ้าเราไปเพื่อเพลินอยู่ในสุขเวทนาเมื่อเพื่อเพลินในสุขเวทนา ทรรมสาระก็ค่อยหายไปตัวสมมติก็ปรากฏขึ้นปรากฏอย่างไรเมื่อเราเ พ, พิ่มเพลในสุขเวทนาเราก็จะละเลยเหตุเกิดทุกข์เราก็จะไม่รู้เหตุเกิดทุกข์เราก็จะสแสวงหาสุขเวทนาไปเรื่อยๆแล้วก็กลัวกลัวทุกขเวทนาทีนี้พอ ทุกเนี่ยมันเป็นสัจจะเราก็จะกรวมเท่าไหร่ก็หนีมันไม่พ้นแต่เราสแสวงหาตัวที่เป็นสัจจะที่มันมันเทียมคือความสุขความสุขปรากฏเมื่อความทุกข์ลดลงความจริงความสุขก็คือความทุกข์อีกรูปแบบหนึง่งที่มันมันถูกมันถูกกับ อายันะมันถูกกับอาสาท่าของเราเช่นอาหารอร่อยมันเผ็ดแต่มันถูกกับอาสาท่าของเราแต่มันก็มีความทุกข์ในตัวของมันเรื่องราวมันบูมันสนุกสนานทำให้เราเป็นทุกข์ต้องร้องไห้ต้องสนุกสนานกับมันแต่ว่ามันก็เป็นทุกข์ในตัวของมันนี่เขาเรียกว่าสาระที่เป็นทุกข์ แต่ว่ามันมีอาสาทะเราก็ไปหลงอาสาทะคือความเบล็ดอร่อยความสนุกสนานนั้นนั้นอันนี้คือสาระเทียมสาระแท้ก็คือมันทุกข์มันนะเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาเนี่ยไม่สามารถสาระแยกทั้งสาระทั้งสองอย่างนี่ออกจากกันได้เราก็ไปหลงไหลนะนี้ได้กล่าวไปวันก่อนว่าตัวสุขเวทนาถ้าเราไปเพลิดเพลินมันนานเข้ามันก็จะแปล สภาพไปเป็นโสมนัสโสมนั ส, มนสเวทนาแต่เนื่องจากเราไม่มีตัวสติประฐานแต่ต้นมันก็จะหมุนไปอย่างรวดเร็วนะหมุนไปถึงความโสมนัสหมุนไปเ ป, นเป็นเป็นตัวนันทิตัวนันทิหมุนไปเป็นาาราคะราคะหมุนไปตัวกามฉันทะกามฉันทะก็ มุนไปเป็นตัวกามาตัาหากามตัาหาหมุนไปเป็นโลภะที่พอไปโลภะเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่อยากที่คนก็ไปยึดไปยึดได้ในความที่เราคุกคีหมกมุ่นในความแต่อยากได้มันก็มีผลให้จิตใจของเราเนี่ยหวยหิวตลอดเวลา วิ่งหิวอยากจะได้ได้ไม่พอเพราะเนื่องจากเราลุ่มหลงในอาสาทานความความอยากได้เนี่ยการมันมีสนุกสนานในการได้เช่นเรามารับราชการใหม่ๆเราได้เงินเดือนหนึ่งหมืนบาทเรารู้สึกพอใจแล้วอะนี่ต่อมาเมื่อสังคมอัตราสังคมของเราโตเติบขึ้นดึงดูดของเราไปสนใจก็มากขึ้นได้รับความเคารพนับถือถือหน้าถือตามีเกียรติมียศ ก็หมื่นเดียวนี่ไม่พอแล้วจะต้องพราเราได้รับการ น, นำหน้าถือตาสิ่งที่ประกอบความเชื่อถือเพืรักษาอัตราตัวตนของเราให้สูงขึ้นมันก็จะตามมาเช่นหนึ่งหมืนบาทเนี่ยเราจะไปผ่อนรถผ่อนบ้านไปมีแฟนไปมีเครื่องประดับตกแต่งรายได้หมื่นเดียวมันไม่พอมันก็เติบโตเป็นอยากจะได้สองหมน เราก็จะต้องเพิ่มหน้าที่การงานขึ้นให้มันได้เงินเดือนสองหมืน่นแล้วก็แข่งขันกันหาอแข่งขันกันหารายได้โดยโกฎหมายมันไม่พอเพราะจะต้องมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงกฎหมายทีนี้พอเราได้เงินเดือนสองหมืน่นอาตาเราก็เติบโตสังคมเราก็เติบโต ความอยากล้วก็เติบโตก็อยากจะได้สาม0มืนสี่มื่นห้าหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่ให้จบดคนก็อยู่ตกในสภาพเป็นหนี้โหยหิวตลอดเวลาลักษณะโหยหิวนี่เองเขาเรียกว่าเป็นเปตเปต ป, นะ ป, ป, ปิตะเปตนะแล้วเปตตัวนี้ก็จะกินทุกอย่างที่ที่ได้มาทีนี้เนื่องจากว่าในสังคมมนุษย์เนี่ย เราไม่มีการศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสี่เป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเราก็เริ่มสร้างประเพณีขึ้นมาอว่าพระเองก็เพื่อจะได้ลดความโลภลงโลภะเนี่ยคุณก็ต้องให้ทานนะเพื่อที่จะ <c oughs> ไม่ไปตายเป็นเป็ดกันมากขึ้นคุณก็ต้องหัดให้ทานนะเพื่อจะลดความโลภ ทีนี้ตัวผู้รับทานเองก็คือบวชบวดคือพระพระเองก็ไม่แจ่มแจ้งในเรื่องของอริยสัจไม่ได้ศึกษาเรื่องอริยสัจไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาก็สร้างวัฒนธรรมแห่งความชอบธรรมขึ้นมาคือโปรโมทโฆษณาการให้ทานเพื่อเป็นทางออกของคนที่หิวโหย เมื่อมันมีอุปสงค์ก็ต้องมีอุปทานแล้นว่าเราสั่งสอนบอกว่าคนที่มีความโลภมากขึ้นเนี่ยจะต้องตายไปเป็นเปรตเมื่อตายเป็นเปรตทางออกค็คุณไม่อยากเป็นเปรตคุกก็ต้องให้ทานเยอะๆอ่าก็มีการให้ทานกันหลายรูปแบบการให้ทานในหลายรูปแบบนี้เองก็เกิดประเพณีขึ้นมาอาจจะไปให้ตรงๆก็มันก็ไม่สมเหตุสมผล ก็จะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมานะทางเหนือก็จะมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งโดยการที่ว่าคุณลักษณะที่ว่าบรรพบุพรุษของคุณก็เป็นเปรตแบบนี้ไปเพราะมีความโลภเหมือนกั น, น, นเมื่อบรรพบุรุษของเราตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกันเพราะในสมัยมีชีวิตอยู่มีความหิวหิวมีความโลภเป็นนิสัย ตายไปก็ตายไปด้วยโลภาเฉิดก็ไปเกิดเป็นเปรตว่างั้นต้องให้เกิดเป็นเปรตแล้วก็จะต้องทุกทรมานอยู่ในภูมิของเปรตทีนี้ล้วก็สร้างภาพที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาด้วยการสร้างภาพของภูมิของเปรตเป็นอย่างไรเช่นสร้าง ท้องถ้าภูเขาะแตป่ปากเท่า <c oughs> ลูเข็มนะ <c oughs> แล้วก็รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสร้างขึ้นมา <c oughs> นี่เปรตเหล่านี้จะพ้นจากภูมิ น, นี้ได้มีความโหยหุ่วตลอดเวลานะเสร็จแล้วรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเหล่านี้ก็ก็มาหลอกหลอนคนเปรดนั่นเองถ้ามาหลอกคนคนเรียกว่าผีเนะีย วัฒนธรรมสร้างอุปทานเพื่อต่อกันไปเรื่อยๆคนก็จะ ก, กลัวผีต่อยผีนี่ก็มาจากเปรตมาหลอกมาร้อนบอกว่าที่มาหลอกนั่นคือผีปู่ผีย่าผีตาผียายของของพวกเราเพราะเขาไม่ได้รับบุญไม่ได้รับทานเพราะคุณไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ไปเขาไม่สามารถจะพ้นจากภูมิเปรตได้ ทางเหนือเขาก็จะมีการทานขันข้าวแต่งขันข้าวไปพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายตายไปก็ก็สมุดวันเราเชื่อว่าวันเพ็ญเดือนสิบเนี่ยทางยมพบาลจะปล่อยเปรตมาอ่ายมพบาลก็จะปล่อยสัตว์ที่เป็นอบยายภูมิให้มาอ่าเยี่ยมเยินญาติพี่น้องทําไมต้องมาวันเพ็ญเดือนสิบไม่มาเดือนอื่นทําไมต้องมาเดือนนี้ก็เพราะว่าในเพ็ญเดือนสิบนี่เป็น เป็นฤดูการที่ข้าวกล้าผลไมกลากไม้อุดมสมบูรณ์ก็เป็นฤดูฝนก็เลยฤดูสารรฐการสารรฐการนี่เองอนุไปว่าศาสตร์บุญข้าวศาสตร์คําว่าศาสตร์มาจากสารสารัฐสารรแปลว่าฤดูการที่ผลไม้เข้ากล้ากํากลังตปลอกออกผลก็จะสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาหารต่างๆ เสร็จแล้วพระก็ต้องโปรโมทโฆษณาว่าการทำบุญแบบไหนเป็ตตัวไหนถึงจะได้รับทางเหนือก็จะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพราะวันเป็นเพนเดินสิบคนก็จะไปวัดกันมากมายทุกบ้านแทบทุกบ้านเพราะแต่ละบ้านก็มีพีปู่พี่ยาพีตาพียายเนมาหลอกลอ่อหลอนมาโหยหาในความฝันบางในมารบกวนมาหลอกมาหลอนบ้างก็กลัวว่า อาภีปู่ญาตายายจะมารบกวนก็จะแต่งข้าวดอกดอกไม้กันเข้าไปถวายทานที่นี้พระที่อยู่ที่วัดก็ต้องรับทานเหล่านี้อย่างมากมายมหาศาลแปรรูปของทานเป็นรูปแบบต่างๆทางไพศาลก็จะเป็นมีการทำข้าวสาดนะในช่วงสิบห้าคำแรกตอนสิบห้าคำหลังก็มาทำข้าว ประดับดินเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินอีกเพราะแผ่นดินนี่จะให้ผลผลิตออกมาก็เลยตอบแทนอทํทำข้าวประดับดินนะทางใต้แล้วก็เห็นว่าเปรตเนี่ยปากเท่ารูเขียมมันกินอะไรยากก็ต้องมาทําขนมที่มันสามารถเข้ารูปาก ของเป็ดได้ก็ามาทาขนมลาเส้นเล็กๆสารกันเส้นเล็กๆกสารเป็นขนมลาเป็นขนมที่เป็นชื่อเสียงเพราะเป็ดรูปากเล็กมากไม่สามารถจะกินคำใหญ่ได้เส้นแล้เรามีการชิงเป็ดใการชิงเป็ด เ, เขาก็จะทำเสาหลักทาน้มันแล้วแข่งเกิดขึ้นเป็นประเพณีแข่งขันกันหลายอย่างมันหลากหลายเพิ่มขึ้น ทางเหนือทางอีสานทุกภาคทางเหนือก็นอกจากจัดถวายขันข้าวพระแล้วก็ไปจัดตานกุยสรากพระก็บอกว่าให้ทานยังไม่พอก็จะต้องมีการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะนั้นตานกเุกสลากปีนี้เนี่ยมาวัดกันเยอะเนี่ยศาลามันเล็กไปไม่พอต้องขยายศาลาเพราะฉะนั้นจะให้เข้าป่าอาหารอย่างเดียวไม่พอก็จะต้องถวายเป็นเงินเป็นทองมาเพื่อขยายศาลา พอปีหนึ่งคนไปวัดเดือนนี้ยเยอะที่สุดต้นสลาเลยะแต่ว่านอกจากวันนี้แล้วก็สลากก็โล่งเหมือนเดิมคนทั้งหลายก็เห็นเออมันจริงอย่างสลากมีพอช่วยกัยนอัตานกุ๋ยสลากก็ทำกุ๋ยสลากขึ้นมากุ๋ยนี่คือตะกร้าใหญ่ๆเอาของบรรจุลงไปตรงนั้นก็ทำมาก็จะชาวบ้านก็จะแข่งกันว่ากัรสลากหรือกุ๋ยข้อสลากคนไหนเจะ ใหญ่กว่ากันจะโตกกันยอดสูงกว่ากันเข้าแข่งมาคนละบ้านละบ้านละตะกาตะกาตะกาแล้วก็นิมนต์พระจากวัดต่างๆมารวมกันว่าจะทําบุญกินข้าวตันกุ้ยสลากก็ชาวบ้านก็แห่แห่กุ้ยสลากกันมาวัดเป็นร้อยกันพันกันแล้วแต่หมู่บ้านใหญ่ใหญ่จะเล็กเสร็จแล้วก็ก็ออกเส้นว่าอันนี้มันพันพันกุ้ยเนี่ยหนึ่งพันกุ้ยหนึ่งพันตะกา แต่พระมาสิบรูปยี่สิบรูปเนี่ยพระองค์ไหนจะได้สัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาตกสลากกันตอ น, นั้นเวลามาก็กกทําสลากมาด้วยมาสลากมาปนกันก็มาแบ่งสัดส่วนพระสิบรูปก็แบ่งสลากเป็นได้คนละร้อยเส้นสิบรูปก็คนร้อยเส้นก็ผัานกุยพอดีเสร็จแล้วแต่ละเส้นเนี่ยจะไปตกของใครบ้างก็ตอนนั้นก็พระก็ทําพิธีกันหลากหลายก็แบ่งกันนะ แต่ว่าเมื่อรวบรวมกล่วยแล้วกรรมาการวัดจะต้องเอายอดไว้ก่อนมารวมกันยอดนัหมายถึงเงินพระก็ได้กล่วยที่เป็นของไปแต่เงินนี่รวบรวมกันมาก่อนสมทุกทุนเพื่อจะสร้างศาลา ร, ารวบรวมมาได้กี่แสนก็ถวายพระไปองค์ละเท่าไหร่ร้อยสองร้อยพันสองพันก็ว่าไปเรือนั่นก็เข้าวัดวัดก็ไปสร้างศาลาตามจิตนาลุงของอันนี้ขบวนการมันก็จะเกิดการซับซ้อนเกิดขึ้นเป็น เขาเรียกว่าลีลิเชนบิสเนสขึ้นเป็นธุรกิจทางศาสนาท้งใต้ก็มีอย่างนั้นมันกันใช่มหมยังไม่ต่างกันที่อีสานก็มันกันอก็่ปจัดเราก็มีประเพณีวันถือทาประเพณีชักพระด้วยใช่ไหมมชักพระพระไปแล้วแต่จังหวัดไหนภาคไหนจะสร้างความซับซ้อนทางวัฒนธรรมเราจะเห็นว่ามันเพียงแต่ ว, ว่าเราเพลินในเวทนาอย่างเดียวใช่ไหมมันยืดมาเป็นเวประเพณีอะไร มากมายนี่เขาเรียกว่าพรามมันแตกดอกออกผลไปอาจากาที่เราไม่เท่าทันเวทนามันมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ปร ม, มาทมานะแต่มันย่อยมาเป็นสมมุติเรื่อยๆอาจากมเมล็ดเดียวเนี่เดี๋ซีดของมันเนี่ยจากมเมล็ดเดียวพอมาตกที่อุดมสมบูรณ์ก็แตก ออกออกลากไปเป็นมหาสาลแต่ในสมมติต้นมะขามต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นฝักทีนี้ไอ้ตัวในต้นมะขามก็จะเป็นฝักได้มันมีใบเท่าไหร่กิ่งก้านเท่าไหร่สาขาเท่าไหร่จากมเมล็ดเป็นมะขามแค่นิ้วก้อยนี่นะแต่เป็นเม็ดฝักมะขามเป็นพันพันหมืน่นหมื่นแสนสฝักอันนี้ก็เป็นผลของมันนะนั่นเราจะเห็นว่าความแตก หนอทางด้านวัฒนธรรมก็ไปลักษณะนี้ที่นี้พระผู้เป็นผู้รับทานก็สร้างวัฒนธรรมทางคัมภีร์ขึ้นมาเพื่อตกแต่งให้สิ่งที่อจะทำเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบสการะเนี่ยให้สมเหตุสมผลเหมือนนกฎหมายแต่งกฎหมายเพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะกงก็สร้างกฎหมายให้ ว่าทำนั้นทีผิดต้องก็กลับต้องหมากันเป็นเงินเป็นทองเข้ามานัากกฎหมายก็เป็นเปรตชั้นสูงพวกเปรตชั้นสูงเรียกว่าอสูรอ่าเปรตชั้นต่ําะอ่าเรียกว่าเปรตธรรมดาประเภทคืออสูรนี่ไหมเขาว่ามันรู้กฎหมายด้วยมันมีอํานาจด้วยแล้วก็มันโลบได้เยอะด้วยประเภทที่จะเมาล่บเมายศแล้วพวกนี้ก็คือนักการเมืองทั้งหลายเนี่จะเป็นอสูรไม่ใช่เปรตธรรมดา แต่พ่อของเปรตเหมนกันเป็นเจ้าของเปรตเลยพวกอสูรนะเพราะนั้นอสูรก็คืออีกพวกหนึ่งที่เขามีสามาธิติเขาเรียกว่าเทวดาเพราะนั้นอสูรกับเทวดาจะลบกันทุกประเทศไปะของเราก็อสูรกับเทวดากันลบกันในภายในเจ็ดวันนี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ฝ่ายไหนแฟรฝ่ายน่าก็ฟังเราก็เลิกกันแกจะลบวันนี้ตลอดมันก็เนื่องมาจากไม่ทันต่อเวทนานั่นเองเรื่องนิดเดียวนะแต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารก็เรื่องทางทางจิตใจของคนนะ ทีนี้วิธีแก้เราจะทํำยังไงพวกเราทั ne, like earth, so the it. It ้งหลายที่มีสมาธิถิเนี่ยพวกเรานี่ถือว่าเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเวนพรมที่เป็นสมาธิถี่มาอย่างนี้ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่บังเอิญนะแล้วคนที่เขาเป็นไม่ใช่วิสัยทิถีพี่สมาธิถิ่เขาไม่เพียงพอเขาจะมาอย่างนี้ไม่ได้นี่คือเป็นการคัดกรองคนที่เป็นสมาธิถิเพราะฉะนั้นคนพวกเราทั้งหลายที่มานี้มาจากภพภูมิชั้นสูงมีสมาธิถิมาแล้ว ถึงมาพบลักษณะนี้ีย๋ยวพวกเราเนี่เองก็จะการรวมตัวกันเพื่อสร้างตัวพุทธศาสนาขึ้นมากลับไปสู่พุทธศาสนาดั้งเดิมใหม่ตัววัฒนธรรมนันก็จะลยลาไปที่ในกลุ่มของผู้เป็นมิจฉาทิฐินั้นเมื่อคนที่เป็นสมาทิฐิสร้าง ําหรับําลาสร้างแบบแผนที่ถูกต้องขึ้นพวกที่เป็นมิจฉยทิฏฐิที่มีการศึกษาก็จะหันกลับมาศึกษาเรื่องนี้เขาก็จะเปลี่ยนมิจฉยทิฐิมาเป็นสมารถิฏฐิมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เขามีข่าววัดข่าววาเพราะว่าตัวมิจฉยทิฏฐินี่เป็นตัวที่มีโทษร้ายกาจที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านจะใช้คำนี้แรงท่านบอกว่าใครเป็นวิจฉาทิฏฐินะเพราะนั่เป็นคําด่าที่ดุเด็ดของพระอริยเจ้านะ พเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิมันพาคนเป็นอบัยภูมิเป็นสนรโลกทุกทุกระดับดังนั้นผู้ทธเจ้าก็เลยประกาศสมาธิทิฐิเป็นมรรคองค์แรกเลยในมรรคเมืมองแปดสมาธิทิฐิตรงข้ามกับมิจฉาทิฐิทีนี้เราจะทําไงที่จะมาทําสมาธิทิฐิสร้างคนให้เป็นสมาติทิฐิก็คือเอาเรื่องเนี่ยเราก็ขยายเรื่องทุกเหตุเกิดทุกการเอากลุกวิธีการเอาุกไปให้กับ คนทั้งหลายช่วยกันแผ่ขยายเรื่องนี้ทุกรูปแบบแต่คนที่เคยเป็นมิจฉาทิฐิไม่รุนแรงเป็นมิสฉาทิฏฐิอ่อนๆเพราะสิ่งแวดล้อมพาไปเมื่อเขาได้สิ่งแวดล้อมใหม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะแปลงที่แปลงใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้พะฉนั้นปเป็นเพณีนิวรณธรรมเราก็ต้องให้ความสําคัญกันมากเพราะว่ามันเป็นการปลุกขยาวของผู้รับคือพระนักบวช พระนบด์ก็ต้องสร้างประเพณีธรรมที่มีความเข้มข้นรุนแรงอหลอกคนไม่ใช่หลอกนะคือคนที่ไม่รู้ก็จะกลัวเออถ้าเราไม่ไปทําบุญหาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายมาแล้วมั้งพระแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครไม่มาทําบุญนะปู่ย่าตายายเข้ามาเขาไม่พบลูกหลานมาทําบุญเขาก็จะแช่งให้ครอบครัวนั้นไม่เจริญเราทั้งหลายไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็กลัวขาดไม่ได้จะมาปฏิบัติทำมาไม่ได้เพราะกลัวปู่ย่าตายายจะแช่งเอา แต่หารู้ไหมว่าการมาปฏิบัติแบเนี้เป็นการช่วยปุญาติญาอย่างสูงช่วยได้หมดเลยเพราะอะไรปูยญาติญาหรือผู้ที่ตายไปบรรพุกุลเขาเกิดที่ไหนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าเขาก็มาเกิดที่ใจของเรานี่เองเพราะเราเป็นผลผลิตของใครกาเป็นผลิตของปุยญาติญาณั่นเมื่อเราเป็นก็ปุญาติญาต า, ตายแล้วมาเกิดที่ใจของเป็นเรานี่เองเมื่อเราทําตันเองให้มีความสุข ท่านก็เป็นสุขด้วยเมื่อทําตัวนี้ให้เป็นทุกข์ท่านก็เป็นทุกข์ด้วยเขามาเกิดที่เรามีคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์ผู้ญาติยายแล้วก็เป็นทุกข์คนไหนตกนรกผู้ญาติยากรก็ตกนรกไปด้วยเขาว่าตกนรกในพุทธศาสนามาเนี่ยผมก็ตายไปแล้วไปดําผุดดําไหว่อยู่ในหมอกระทะทองแดงไม่ใช่ในการที่เราดําผุดดําไหวในความคิดที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละที่เขาตกนรกอ่า วันหนึ่งที่ติดใจของเราเปลี่ยนไหวใจเกิดในความคิดจะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ถูกเนี่ยแล้วแต่ระดับของมันถ้าเราทุกข์มากมากเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับมันกระตกนรกลึกอะ่ะแล้วถูกเกิดได้รับผลทั้งด้านกฎหมายติดคดีอาญาต้องติดคุกติดตาราง ติดคดีมีคดีติดตัวนะเนว่าคีดปรุงแต่งจีก็จะวนวายวุ่นวายในเรื่องความทุกข์อย่างนี้ตลอดก็คือตนกนรกแต่กนกนรกแบบนี้กลับไม่กลัวนะกลัวว่าตายไปแล้วนะแต่นรกที่นอนแช่มันอยู่ทุกวันกลับไม่กลัวนะี่ที่ถ้าเรามาอย่างนี้อความเดือดร้อนใจอย่างที่มีไหมไม่มีแล้วพ่อแม่จะไปเกิดที่ไหนเพ่อเขาไปเกิดสวรรค์เลยแเรามาทําอย่างนีมน้มันก็ไม่ต้องเสียอะไรมากมายแล้วก็เป็นสมาธิถี่ด้วย จะไปทําอย่างนั้นนอกจากจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาในเรื่องของปรมัติธรรมด้วยนะทั้นั้นเองในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมีผลสูงสุดมหาศาลแต่คนก็สัมผัสได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าพระเองไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้เพราะพระเองก็ไม่ได้ทุ่มเทเรื่องปฏิบัติสติปัฏฐานสี่พระก็งมงายไปกับชาวบ้านก็ไหมครับหลอกกันไปหลอกมาก็นึกว่าเป็นจริงเลยนะหลอกจนสองคั้งว่าสิ่งที่โดนสร้างขึ้นมาเป็นจริงเนี่ย นักบวชเราอ่ะแล้วก็มาอยากจะใช้คำว่าทามาหากินนะแต่ ก, ก็เขประกอบพิธีเหล่านั้นมาสืบทอดกันมาตลอดทีนี้ใครจะไปทักท้วงได้อ่ะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่ครอบงำกันมาไม่รู้กี几百几百几百่ร้อยกี่วันปีใครไปทักท้วงเขาาก็อบอกว่าเราดิเพี้ยนว่ากล่าวตูกพุทธศาสนาไปนู่นเลยนะเราก็เสียหายแล้วทีนี้ มันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะโครงสร้างความเชื่อที่ใหญ่ใหญ่มากอ่ะเราไปอักเก้ไม่ได้เลยไปคัดค้านไม่ได้เลยนอกจะไปแตะต้องเขาไม่ได้แล้วุณอย่าไปวิจารณ์เถอะนะวิจารณ์แล้วคุณถูกตีกับวิเศษหายแล้วคุณถูกด่ายับเลยอนะ้มมนชนเขาก็จะเอาตามฝ่ายเพราะมิชาทิทิฏฐิมันเยอะกว่าเขาก็จะเอาตามฝ่ายมิชายทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราฝ่ายสมมาทิฏฐิเขาต้องอยู่เงียบเงียบแล้วก็แนะนําไปสํำหรับคนที่แนะนําได้เท่านั้นเองคนที่เชื่อได้ คุณที่แนะนำไม่ได้ก็อย่าไปว่าเขาผิดไม่ได้นะเขาก็เล่นงานคุณนี้เพราะเรื่องเหล่านี้เราต้องรู้ใครรู้มันเราพุทธศาสนาจริงเจริญยากด้วยความเพียงแต่เพลินในเวทนาเท่านั้นนะีน่เดียวใช่ไหมแต่ว่ามันแตกงอกออกรากไปเป็นมหาศาลเปรดอสุรกายเดริชันไม่ได้นอกใจเราเลยนะที่กล่าวไปวันก่อนว่าเมื่อเราขาดสติมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, ข า, า, ขาจนไปติด เวทนาแบบไม่ออกขนาดเสพติดสุขเวทนานะี่ยไม่ได้กินสิ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้กินอาหารอร่อยไม่ได้เป็นเรื่องเลยนะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ไอ้มาเนี่ใทยสูบบุหรี่ตีบุหรี่มาเข้าบฏิบัติห้ามสูบบุหรี่ในคนนี้เลยนะอคนไหนที่ติดโทรศัพท์ยึดโทรศัพท์ของยึดเข้ากับบ้านเลยเหมือนกันเพราะนั่นการเสพติดแต่ละอย่างเมันลึกมากลึกเกินกว่าที่จะเอาออกได้ ว่เป็นอย่างนี้ก็คือการหิวโหยติดเรื่องสีนั้นไม่ได้ติดในอาสาทาก็เป็นเปรตติดในความพอใจแล้วถูกขัดใจอย่างรุนแรงก็เกิดความโกรธความไม่พอใจก็คุณคิดเดือดร้อนก็รงนลกเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกประเภทหนึ่งว่าใบายภูน ม, มีสีใช่ไหมสนนลกเปรตอสุรกายคืออสูรแล้วก็เดรัจฉาน เขาวาเริชันคือหมายถึงว่าคนที่บ้านเราก็เรียกพูดไม่รู้เรื่องคือพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วว่างั้นเนอะมันเขาคัดต้องได้ถกได้เถียงได้ขัดแย้งกันก็เอาชนะฆ่าขานกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะสมมุติให้มีงามีเขามีเล็บพี่แหลมคมใช่ไหมว่าต่อสู้กันพวกที่เป็นอสุรกาเป็นเดริชันนี่ส่วนใหญ่ก็คือมาฑิาทีแรงต้องได้ ส, ส่อสู้ได้งัดงางกัน คนก็ได้ใช้อาวุธเป็นตัวแทนเขางาเล็บพิษที่อยู่ในตัวสัตว์ถ้าเข้าอยู่ในคนก็คือมาเป็นอาวุธต่างๆนี่นี่ต่างๆเป็นญาพิษปืนผาหน้าไม้อํานาจทางกฎหมายอานาจทางด้านอะไรต่างๆเอามาเป็นเครื่องมือเป็นเขี้ยวเป็นเล็บของเดรัจฉานประเภทนี้ที่ที่เขาไปว่าเขาเดรัจฉานไม่ได้นะอันนี้วีดีโอควบปืนยิงหัวเราเลย <laughs> เมันดูแรงมากเรื่องเหล่าเนี้ยเออ แต่ว่ามันเป็นจริงอะ่ะแต่ว่ามีไ ม, ม่มีใครกลา้าพูดพระ ก, ก็ไม่กล้าพูดน ะ, ะพระ ก, ก็ไปพูดในที่สาธารเสียคนเลยอะ่ะเรื่องเหล่านี้พูดความจริงี่ยขณะหลวงพ่ออาจพูดความจริงเรื่องนี้อาสภาเถระเนอะถูกจับติดคุกในสมัยจําพนสลิดอาสภาเถระเคยได้ยินเชื่องท่านเใช่ไหมจนหลังมาท่านออกจากคุกก็กลับมาเป็นทําหน้าที่สังฆราชจนได้เหมือนกันนะดวงท่านแข็งมากนะียสมัยนั้นสมเด็จอาจอาสภาเถระ ไปพูดที่นครปฐมว่าพุทธเจ้านี่เป็นยอดน้องคนโกหกนะแค่นี้นะเพราะถ้าจะพูดความจริงก็คือพุทธเ้าเป็นผู้ฉลาดที่สุดเป็นมีนโยบายมีกะโรบายในการที่จะพาสัตว์ออกจากทุกข์ที่ไม่มีใครเหมือนท่านต้องการพูดในความหมายนี้แต่ไปพูดแบบภาษาชาวบ้านเกินไปเขาเล่าไม่ได้ถูกกล่าวหาเลยว่าด่าพุทธเจ้ากล่าวถูพุทธเจ้าแค่เขาพูดคาเดียวเนี่ย แต่มก็มีกรณีอย่างอื่นด้วยถูกข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ผสมโลงกันเข้าไปหลายๆข้อหาเนี่ยแล้วก็ถูกจับติดคุกทั้งหลายปีเนี่ยพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าคนระดับไหนพูดถ้ามันไปกระทบกระแทกวัฒ r ธรรมที่เขาเข้มข้นกันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องน่ะแต่นั้นเองเราทั้งหลายก็ต้องเข้าใจลักษณะว่าสังคมสมมุติเป็นอย่างนั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการมาทําวิปัสสนาการดำเนินทวิปัสสนาสมถะเนี่ย ทำให้เรารู้เท่าทันเวทนาฉลาดเหนือเวทนาแล้วไม่ตกเป็นทาตของเวทนาอันนั้นแหละจะได้กอบคู้จิตวิญญาณของปู่ย่าตายายทั้งหลายของเราเนะี่ยให้พ้นมาจากเปรตอสุรกายนระกพ้นมาจากอบายภูมิเลยนะแล้วเขาเหล่านั้นก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะวิสูตรตรงไห น, นพิสูตรว่าเรามีความสุขแล้วไงเรามีความสุขมีความสงบมีเหตุมีผลมีความสบายแล้วท่านเหล่านั้นเป็นใครก็คือใจเราคือตัวเราเนี่เองไงที่นี่คือเหตุผลง่ายๆ แต่คนไม่ยอมเข้าใจเพราะอะไรเพราะมันไปถูกบิดเบือนไปทางนั้นใช้แล้วอะ่ะก็ยกเอาเรื่องเปรตผีเทวดาไปอีกภพอีกชาติหนึ่งไม่ใช่ภพนี้อันนั้นคือพามเป็นพามไปร้อยเปอร์เซนต์เลยคือแยกไปอีกมิติหนึ่งเลยแต่มิติพุทธทุกอย่างที่โบราณว่าอะไรนะสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินสรุปษษสั้นแค่นี้ต้องมีใครเชื่อบ้างไง เออสวรรค์มันต้องอีชาติหนึ่งเพราะว่าสวรรค์หกชั้นแต่พุทธิเจ้าไม่ใช่เราสวรรค์หกชั้นก็คืออายตนะหกนั่นเองแต่แต่เนื่องจากก่อนที่พุทธิเจ้ามาแต่สรู้ศาสนาพรามมันเจริญมาก่อนที่ศาสนาพราม์ที่มันเจริญไปนี่มันก็มีพุทธิเจ้าองค์ก่อนนี่ยถ้าหมดความรู้หมดศาสนาพุทธิเจ้าองค์นั้นแล้วก็มาเป็นพราม์ก็กลับไปอยู่เงี้ยเนี่ยเรายังไม่ถึงห้าพันปีแล้วแค่สองพันกว่าปีมันกลายเป็นพราหมณ์เพียงแปดสิบเก้าสจะเหมือนมีเซ็นต์แล้วแล้วน่ะ มันก็เป็นพราหมณ์ไปจ น, นมันมืดถึงที่สุดแล้วผู้ที่เจ้าองค์ใหม่บุคคลองคใหม่ก็มาเกิดอีกก็มาบอกเรื่องทางพูดอีกอสูงสุดแล้วก็กลับไปเป็นพระขุบนอยู่อย่านี้พูดกับพราหมณ์แยกกันไม่ได้เพราะว่ามันสลับกันเพื่อรักษาจิตวิญญาณของมนุษย์เอาไว้ในระดับหนึ่งนะแต่ผู้ที่ไปติดประเพณีวัฒนธรรมนั่นเองถ้าหากว่า เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีการศึกษาได้ผู้นําดีได้ผู้คนดีมีปัญญามาเป็นผู้นําของชาติของศาสนาคนเรานั้นก็จะแปลงคําสอนที่เป็นมิจฉาทิฐิกลับกลายมาเป็นสมาธิฐิได้มากขึ้นอยู่กับผู้นําในยุคนั้ น, น, นว่ายุค น, น, นั้นเป็นพราหมณ์หรือเป็นพุทธสลับกันมาตลอดโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่มีผู้นําที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นสมาธิฐมาก็หลายองค์จะเป็นมิจฉาทิฐิก็หลายคนนะ แต่ตั้งแต่สมัยโน้นน่าเจ้าพระเจ้าอ้โศเป็นต้นม า, มาผ่านมาทางศีลังกาผ่านมาทางไทยนะตอนนั้นเองอยุคใดสมัยใดที่วัดเมืองมีปัญหาผู้ดำก็จะต้องแปลงคําสอนพูดให้เป็นเครื่องมือในการปกครองค น, นในการแปลงคําสอนพูดสนามก็กลายเป็นเป็นพราหมณ์นะแล้วก็มีการทำกรรมประเพณีพราหมณ์ทั้งๆ ท, ที่เราเป็นพุทธนะก็มีการดูว่าพิธีหลวงทั้งหลายพราหมณ์ทั้งนั้นใช่ไหม อันหลังนี้เราก็ไปว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวัดกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วกลายเป็นประเพณีไปแล้วแต่มันก็นื่องไปจากที่เราติดในความสุขในสุขเวทนานั่นเองพลพวงมหาศาลนั้นทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะอันั้นเองพระพุทธเจ้าท่านประกาศถึงเรื่องของอริยสัจสีแล้วเราลงไปฟังพระร้อยวัดเนี่ยเราจะได้ฟังอริยสัจสี่ทมันถูกต้องตจำหลักพุทธสารที่สุดเนี่ยสกักกีวัดโยง่า อามาท้าให้เลยนะจะถึงสิบวัดหรือเปล่านั้นในร้อยหนึ่งเนี่ยเพิ่มๆไม่มีเลยก็ได้ถใครกลา้าพิสูจน์เรื่องนี้ว่าไงโยมสมจิตตนามีเวลาไปพิสูจน์สัรสกร้อยวัดดูดิว่ า, ป เ, าวเป็นคนไม่เข้าวัดอหมดปัญญาเป็นไนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์เลยเนะี่น้าพิสูจน์น ะ, ะพิสูจน์ พูดถึงเรื่องกรรมฐานเรื่องสศิประฐานสี่เรื่องอริยสัจเรื่องมรรคมีองแปดจนเห็นเรียกว่าแต่ไปเจอที่สำนักที่เขี่ยวมากๆ ก, ก็ไปเจออธิบายไว้อีกแบบหนึ่งเลยเนะี่ยอริยรสัจสี่แบบท่านสศิประฐานสี่แบบท่านเอางั้นเอถอะทิ้งถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้องเราก็คล้อยตามท่านไปด้วยนะอันนี้คือน่ากลัวมากคือแปลงของจริงให้เป็นไปตามทิฏฐิเรียกว่าอัตโนอัตโนมตินะ อันนั้นเองในคําสอนพุทธเจ้าจึงแปลงมาเป็นหลายระดับนะาจากาเดิมเป็นพุทธพจน์ก็มาเป็นอัตตกระถ า, าใช่ไหมอธิบายจากอัตตกราก็แปลงมาเป็นดีกาจากดีกาก็เป็นคันถีจากคันธีก็เป็นอัตโนมติไปเรื่อยๆดีกาเนี้ยมีอนุดีกาอีกนะดีกาคันธีอัตโนมติไปในที่สุดก็กลายเป็นคําสอนของพราหมณ์ไปโดยปริยาย จากพุพทธพุทธขยายมาเป็นเรื่อยๆอันนี้ที่นําเรื่องนี้มากล่าวจะเห็นว่าเนื่องวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกท่านทั้งหลายใช่ไหมวันส่งตายายถ า, ถามว่าส่งใครกันแน่ <c oughs> อก็ <c oughs> อ <c oughs> ส่งเราเข้าวัดในวันะสงตายายนะเรามาเข้าวัดในเรามาทาง บางคนก็อาจจะมีมิจฉาทิฏฐิว่าได้เอาหลวงพ่อมาทางนี้หลวงพ่ออธิบายไปทางนี้ตามทางของหลวงพ่อเนะี่ย <Yeah. S 1> ก็ไปอย่างนี้ได้เหมือนกันนะจะมาคนที่จะเฉยไฉแต่ว่าไม่ให้เชื่อต่านมาใ ห, ให้พิจารณาดูว่าเป็นจริงอย่างนั้นไหมท่านเองถ้าเป็นจริงก็เชื่อถ้าไม่จริงก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้เชืเช่อการามสูตรว่าการามสูตรว่าอย่างไรนะเ่อาตัวนั้นนะ่ะมาเป็นหลักวัดเพราะสิ่งใดก็ตามทําให้ ที่เราเชื่อแล้วมันทําให้เกิดกุศลผู้รู้ไม่ติเตียนถ้าเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นควรเชื่อสิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามเชื่อไปแล้วไม่ได้ทำให้เกิดกุศลเป็นอกนะุศลนะผู้รู้ติเตียนและไม่เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นสิ่งนั้นไม่ควรเชื่อท่านสรุปเอาไว้อย่างนั้นนะในในสิบหลักนั้นทั้งนั้นเองเราก็มาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราศึกษาและปฏิบัติคั้นี้เป็นกุศลและอกุศล พิสูจน์ไปทีแล้วข้อผู้รู้ทั้งหลายมาเห็นแล้วเ้าติเตียนและเขาสรรเสริญและสิ่งที่เราปฏิบัติที่นี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นไหมล้วก็สามารถพิสูจน์ไปทีแล้วข้อละข้อได้อันนั้นถึงเราจะพิสูจน์ได้นะอันนั้นย่าหยมทั้งหลายในเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องใหญ่มากอามาอยากจะเน้นเพราะว่ามันเป็นปากประตูเป็นประตูทั้งนรกประตูทั้งสวรรค์และประตูทั้งนิพพาน ในประตูธานาตัวเดียวสมมติอาลลตาเห็นเกิดพอใจเป็นอะไรเป็นสวรรค์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปยึดความพอใจเป็นอากาาที่ดุริแรงถ้าใครมาขัดความพอใจของเราไม่ได้กลายเป็นอะไร ท, ทันทีเป็นนรก ท, ทันทีแต่ถ้าเราได้เจริญสติปัฏฐานสี่จนชำนิชำนาญเวลาตาเราเห็นลูก เกิดความพอใจแล้วกำหนดรู้ตามเาเออนี่ค ว, ความพอใจความพอใจคือเป็นอาการของความรู้สึกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความพอใจคือเป็นเวทนาชนิดหนึ่งแล้วเมื่อยึดในความพอใจนั้นเป็นประตูเขออะไรทันทีนิพพานทัน ท, ท, ทีเห็นไหมในเวทนาตัวเดียวอ่ะเป็นใต้พังผืดปากประตูทั้งนรกสวรรค์นิพพานแล้วทางหูจะมูลิ้นกายใจล่ะก็เช่นเดียวกันนะดังนั้นถึงว่า เวทนาจึงเป็นตัวที่สําคัญหลังจากท่าพนาพระสาลีบุตรหลายคนคงเคยได้ยินประวัติประวัติแล้วใช่ไหมว่าท่านเป็นมาอย่างไรทุกคนเคยได้ยินไหมพระสารีบุตรเคยไหมเคยแต่ว่าคุมคุมเคลือออกมาชัดเจนนะใช่ไหม <laughs> เดิมชื่อว่าอะไรท่านพระสาลีบุตรชื่อเดิมของท่านท่านที่เป็นเกลหัดเป็นชาวบ้านนะ นี่ไม่ต้องถามไรคําถามในคำถามเดียวก็จอดแล้วนะที่เดิมมาท่านอุปติสระใช่ไหมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกลิตาโกลิตะต่อมาคื อ, คอว่ามหาบุคลนาณะนั่นเองใช่ไหมเพื่อนสองคนนี่เขาเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเพื่อนกันเป็นผู้มีอันจะกินอ่ะเป็นลูกกระหานดีเป็นคนหนุ่มค่อนข้างฉลาดมันก็ประกอบธุรกิจการค้าเลยมีเงินมีทองแล้วก็ก็ก็สนุกสนานไปตาม เพศของขลัหัดดูน้ําฟังเพลงไปดูละครอะไรต่างๆแต่ในสมัยนั้นความเจริญทางด้านลทัทธิศาสนานะมันสูงในสมัยข้างพุทธเจ้านะข้างพุทธการนะเพราะนั้นก็จะมีเจ้าลทัทธิเยอะแยะเที่ยวสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่บรรดาคนทั้งหลายที่มีนิสัยทางฉลาดเนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลสนใจที่เรื่องเป็นทางะละเอียดทางด้านจิตใจอ่ะ อันนี้เหมือนกันสองคนนี้เขาเป็นคนฉลาดเมื่อได้ฟังเรื่องคําสอนของลทัทธินั้นดีที่นี้เขาก็สนใจศึกษาสนใจศึกษาในขณะเดียวกันถึงการประกอบอาชีพการงานทั้งโลกเขาก็ไม่ทิ้งเนี่ยแต่ขณะเดียวก็เขาศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันาอาจารย์นั้นสอนอย่างนี้อาจารย์นี้สอนอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรก็มาศึกษากันเขามีการศึกษาเปรียบเทียบแล้วไม่เหมือนกันสักองค์หนึ่งแต่ละละทัทธิแต่ละสำนักก็ เกิดวันหนึ่งเขาไปดูละครนะละครสมัยนั้นละครที่เขาเหมือนจะดูละครเรลิเกในโรงละครนะเขาก็ดูนะที่นี้พอดูไปเพืบทโศกเขาก็เสียใจร้องไห้ไปตามโดยละครบทรักเขาก็รักไปตามนั้นบทโจกตลกโมล้อเขาก็โมล้อไปตามฉาบตานั้นที่นี้ภาษาคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ใช่ดู เขาไม่ใช่เ <allá> ป็นไปตามเหตุการณ์ทั an <dragon angel> <mum>. okay. <an> ้งหมดนะเขาต้องดูโดยภาพรวมเลยเอ๊ะทําไมไอ้ะเรืองนี้ไปเลือกแสดงมาทำไมทํำให้คนมีอิทธิพลครอบงำให้คนร้องไห้หัวร้อนในเวลาเดียวกันได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาเกิดสติขึ้นมาเกิดสลดใจเกิดสลดใจจากละครเรื่องนั้น่ะจากการดูละครเรื่องนั้นว่าเรื่องไอ้คนแสดงเนี่ยมันมันเป็นแสดงเอาอ่ะไม่ใช่ของจริงเนี่ยแต่การร้องไห้หัวร้อนคนดูนั้นเป็นของจริงหรือของแสดง ขอจริงทั้งนั้นเลยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมคนมันถูกหลอกได้ขนาดนี้เขาเกิดสะกิดใจแล้วเข้าไปไม่ใช่ว่าเข้าไปฟรีๆนะได้เสียเงินค่าบาาัตรค่าถั๋วแพงๆด้วยใช่ไหมเสียบัตรค่าถั่ว แ, งแพงๆเพื่อเข้าไปร้องไห้เพื่อเปหัวเราะตามเขาเขาเห็นการร้องไห้หัวเราะเป็นอาการที่เป็นเป็นสุขของคนนะขอได้ซื้อได้นี้เข้าไป แต่คนนี้ถ้าได้เชิญเข้ามาฟังทำมบหรือฟังของจริงเนี่ยมันไม่ต้องได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเนี่ยเปิดประตูโร่มทั้งวันเขาก็ไม่ยอมค่ะคนทั่วไปไ ม, ไม่ไม่ชอบของจริงแต่เขาชอบของหลอกถ้าหลอกกันได้สนิทหลอกกันน้าดอกมายาโกนนะโ้โหราคาค่าบัตรค่าตั๋วโดยเฉพาะที่ราชสุຈกั น, น่ะอันไหนที่แสดงได้วิเศษที่สุดในโลกเขาจะไปแสดงที่ราชสุຈกันหมดเพราะตอนนั้นเป็นเมืองมายาค่าบัตรค่าตั๋วนี่แห่งริบรียวเขาเข้าไปที่สองคนนี้เขาเกิด สรุปใจอุ้เป็นได้ขนาดนี้เลยเหเขาก็เลยเอางนี้ดีกว่าเราไม่ไหวแล้วเราจะหมุนหมุนมุนอยู่กับไอ้เรื่องไายสาระอย่างนี้ไม่ได้มาร้องไห้หัวเราะเราก็เป็นบ้ากว่าเขาด้วยในที่สุดก็เลยเอาอย่างนี้ด้วกันเราไปแสวงหาครูอาจารย์ที่เราได้ฟังจากครูอาจารย์ก็ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ใครเป็นใครมันหลายคําสอนหลายระัที่เหลือเกินนี่เลยนักกันว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเรา ไปสังเกตดูว่าวัดครูอาจารย์วัดไหนที่สอนถูกสอนตรงสอนดีเราจะไปศึกษากันในที่สุดก็ไปเจอรัฐที่หนึ่งที่ถูกใจเรียการัฐที่ของสนชัยเวรัฐบุตรคือมีสอนแบบตกกะเพราะมีสิทเพราะอย่างนี้จึงเกิดเป็นปกกเป็นปฏกาตเป็นปฏิยาน่าเชื่อถือมาก แต่ว่ามันก็ยังเป็นประเด็นให้เกิดสงสัยมันยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ที่วันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ดัดสรู้แล้วเนี่ยคือร่วมสมัยกันนะได้ดัดสรู้แล้วก็ได้มาแสดงธรรมแก่เป็นเยาวคีทั้งห้าเป็นเยาวคีทั้งห้าใช่ไหมเป็นเยาวคีทั้งห้ามีใครบ้างอะ่ะปุถัญญาปปพตสิยะมหานามาอาจชัชิใช่ไหม ทั้งห้าท่านหลังจากได้ก็ฟังธรรมครั้งแรกทำมาจากบรรณสูตรคนที่เข้าใจที่สิ่งพุทธิเจ้าพูดมีคนเดียวคือคนทัยะแต่อีสีคนนี้ไม่เข้าใจเพราะพุทธิเจ้าพูดถึงนี้ได้ไง้วบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเอาฟังต่อจนนั้นสามเดือนปรากฏว่าออกพรรษาทำมากันที่สองชื่ออานัตตารคณสูตรพูดถึงเรื่องอนัตตาปรากฏว่าเข้าใจพร้อมกันทั้งหมดทั้งห้าองค์แล้วบรรลุธรรม เป็พระรหันด้วยก็เกิดพระรหันขึ้นหกองค์ปรยกที่ทั้งห้ารวมด้วยท่านหกใช่ไหมก็เอาละประกาศศาสนาที่นี้จะราชาพิกเวกันเลยก็บอกว่าให้แยกไปเมืองละองคนะไม่ไปสององไม่ได้เพราะว่าพระเรามีน้อยทีนี้ท่านพระอาเซชีนี่ไปเมืองหนึ่งเมืองอหมู่บ้านเนี่ยเมืองราชเชื้อเมืองราชเชื้อไม่ใช่เมืองเมืองปาตาลีบุตะระท่านอยู่พระซาลีบุตรอยู่เมืองปาตาลีบุตร าไปนารัตคามเมู่บ้านนารันดคาห์มพอไปถึงเมืองนี้ท่านก็อาจจะชีอาจจะเคยอยู่เมืองนี้มาก่อนก็ได้ไปบ้านใครบ้านมันเนี่ยก็ป ร, กรากฏว่ารัชชานุภาพก็ออกบินทบาทตามที่ท่านได้สอนเงินมาออกบินทบาทแต่ป ร, กรากฏว่าการออกจาิกถึงสมัยนะั้นไม่ใช่ว่ามีพระท่านหรือมีมีนักบวชและที่ต่างๆเหมือนก็เราเหน็นห น, น่ะไอ้ชี้ไ้พระอะไรเดินกรือวุ่นวายตามตลาดตามหมู่บ้านบิณทบาทใช่ไหมจะถือว่าเป็นนักบวช เหมือนกันนี่แหละทีนี้มันก็เห็นเกิดคนแฉว่าท่านโกอุปติสัตถ์เนี่ยท่านเป็นหนุ่มอยู่ที่กาลังเสางหาเนี่ยท่านไปเห็นการเดินของท่านพระอาจารยชิ้ต่างจากนักบวชต่างๆนักบวชต่างๆเดินไปคุยกันไปเลเกะไปาตามเรื่องอะ่ะแต่ว่าดูนักบวชองค์นี้เราสกิตราเดินสงบนุม่มแล้วก็สารวม ไม่ช้าไม่เร็วสายตาก็ไม่มองลอกแหลกสํารวมเออน่าสนใจก็อยากจะรู้จากขึ้นมาทันทีใช่ไหมที่จะเข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนอาจารย์ของท่านอยู่ไหนไปถามตอนนั้นก็ไม่ได้เพาราะพระกาลังบินทบาทก็เป็นกฎหนของนักบวชขณะที่บินทบาตนี่ไม่ให้มีการพูดคุยก็คิดว่าคงไปพูดคุยอันนี้ท่านคงไม่ไม่ตอบอ่ะเพราะว่าท่านกําลังบินทบาทก็เลยตามไปห่างๆจนกระทั่งท่านบินทบาทเสร็จ ทั่นก็มานั่งฉันใต้ต้นไม้สนไหม่นั้นยังไม่มีวัดทำไม้เสร็จก็กล่าวว่าท่านฉันเสร็จก็เข้าไปเขาไปถามอย่างที่ตั้งใจจะถามว่าท่านมาจากไหนอยู่วัดอะไรอาจารย์ของท่านเป็นใครแล้วท่านปฏิบัติธรรมอย่างไรถามล้วท่านพระอาจารยชีก็ถ่อมตัวบอกว่าอุบาสกฉันนี่เป็นพระบทใหม่ไม่นานนะ เพราะนั้นไอ้ข้อที่ถามเนี่ยบางอย่างอย่างสมควรสอนทำอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยบางอย่างก็อาจจะอา่อาอธิบายไม่ได้มากอา่าชันเป็นพ้าใหม่อยู่อืออุบลิศอุบลิศก็ยังไม่เป็นอุบสิศอ่ะมนุษย์ น, นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าผมฟังพูดไปเอแล้วผมจะเข้าใจได้หลาที่ผมไม่เข้าใจผมก็จะถามท่าน ข้าเจคีก็เห็นว่าเออได้โอกาสแล้วท่านก็กล่าวคุณมาว่าเยธรมาเหตุปปภาวเตสั่งเหตุดัททาคาโตเตสัจโยนิโรโทจเอวังวาทีมหสมณุพูดแค่นี้ยเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไงพวกเราเข้าใจไหม <laughs> งงเลยนะเจ <laughs> ah วังวัธิมหาสมณุบุมหาสมณะอาจารย์ของท่านเนี่ยพูดอย่างนี้ประจําเลยงหมนน่ะ เยธรรมาเหตุปวารเตยสั้งเหตุจุนตถาคตพระตถาคตคืออาจารย์ของเราพูดบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งโพรในโลกมันไม่อะไรบังเอิญหรอกมันมีเหตุทั้งนั้นแหละแต่อันไหนที่เราไม่รู้ก็บังเอิญแต่อันไหนที่รู้ก็มีเหตุมีผลที่เราเข้าใจได้ก็เมีเหตุมีผลอันไหนที่เราเข้าใจไม่ได้ก็เป็นเรื่องบังเอิญแต่กูยิงไม่มีเรื่องบังเอิญมีเหตุมีผลมีที่ไปที่มาทั้งนั้นถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าก็ต้องทำเหตุให้มันดี ถ้าเราทําเหตุไม่ดีมันก็เสือ่อมเพราะฉะนั้นศึกษาที่เหตุให้ละเอียดแล้วเราจะต้องการอะไรมันก็จะได้ผลสําเร็จหมดแม้จะเอามรักผลก็ได้แต่ว่าศึกษาเหตุให้ถูกอาจารย์ของเราสอนอย่างนี้เสมอแค่นี้แหละเข้าใจอุปติสระอยากพบอาจารย์ทีเนี่ยโอ้ปรากฏว่าเข้าใจขึ้นคาว่าเข้าใจคือได้ดูงใจเห็นธรรมนั่นเองเข้าใจอะไรเป็นอะไรเข้าใจจริงๆนะ ปกท่านได้ดวงเห็นธรรมก็เลยเอาตอนนี้ก็เลยถามตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนเอาตัวนี้ฉันพักอยู่ที่อนุพิยธรรมพวันส่วนเมื่องของในในปี อ, อนุพิยธรมพวันดังนั้นเดี๋ยวท่านกินบัตรกลับไปก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปพบอาจารย์ท่านที่สานักก็ปรากฏว่านัดกับเพื่อนเอาไว้เนี่ยพอถ้าเจออาจารย์ดีแล้วนี่บอกกันนะ ก็เลยเอาอย่นไปหาเพื่อนก่อนโกนิตะบอกว่าเอางนี้บอกว่าเพื่อนเราพบอาจารย์ดีแล้วนะน่าลื่มใส่มากท่านพูดว่าอย่างนี้ที้ท่านเป็นครูมีปัญญาท่านพระอาจารยชีพูดไว้แค่นั้นแต่ท่านที่บรรายเป็นเหตุผ ล, ผลจนกระทั่งโกนิตะเพื่อนนี่เข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมอีกคนหนึ่งยังไม่ทันได้ฟังพระเลยนะฟังพเพื่อนด้วยกันอธิบายได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจงั้นพากันไปพบพระสัจจะดาพระสมหาสมณะก็พากันไป เมื่อพากันไปแล้วก็ปรากฏว่าพร ะ, ะทั้งสองเนี่ยขอบวชนะขอบวชเนื่องจากว่าท่านอุปปิสารเนี่ยเป็นลูกของออกจากตระกูลของนางสารีใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อว่าบุตรของนางสารีก็คือพระสารีบุตรอันนี้ตั้งตั้งชื่อบาลีตามสกุลของแตนทีนี้ท่านโกลิตาเนี่ยออกมาจากสกุลโมคขลาน ก็เยตั้งชื่อว่าโมคลานะพระมหาโมคลานะไปก็เข้าบทปรากฏว่าหลังจากที่ายเทศอะไรเข้าใจพระพุทธเจ้าแสดงถึงเรื่สงเศีเรื่องขึงเรื่องอนาภาเรื่องอะไรต่างในสมัยนั้นท่านโกริตะได้ชื่อใหม่ว่าพระโมคลานะบอกว่างั้นผม <c oughs> ขอไปแยกตัวไปทำดูสักเจ็ดวันทาเรื่องที่ท่านพูดนี่นะแหละผมจะเข้าใจได้ไหม เขไปทําอยู่วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ในช่วงที่แยกไปทำไม่ใช่ว่าพุทธิเจ้าท่านจะทิ้งให้ไปทํานะท่านก็แอ บ, บไปดูเหมือนกันว่าทาจริงหรือเปล่านะแต่ว่าในตําราเขาต้องยกคุณพุทธิเจ้าหน่อยนะพุทธิเจ้ามีเป็นคนวิเศษเนี่ยเรื่องอะไรต้องไปดูต้องนั่งเพ่งเล็งยานเอาว่าว่าขณะนี้คนนั่งไปทําอะไรก็นั่งเล็งยานเอาอันนี้ตําราเขาพูดไว้แต่คนจริงที่ออกมาคือลูกสิษย์ไปปฏิบัติอย่างไรอาจารย์ก็ต้องตามไปดูห่างๆแล้วทำจริงหรือเปล่าเนี่ย ก็ปรากฏว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนึ่ง่วงทุกวันะสมุขรานาง่วงนะนั่งง่วงเดินก็ง่วงทีโมวันวันที่เจ็ดแล้วไม่ได้แล้วง่วงเยอะขนาดนี้ท่านก็เลยเข้าไปสะกิดในช่วงนึกง่วงไปสะกิดโอ้มันง่วงขนาดนี้คุณก็ไปหาทางแก้นี่คุณว่านั่งง่วงสมองอยู่ทนี้แกยังไงครับท่าน ไปหาอะไรมันปั่นหูปั่นตาเด็ดยอนไม้ใบยากหร้อว่าปั่นปุกกระส่าตัวเองเล่นนี่ในช่วงง่วงใช่ไหก็ไปทำไปทำเออตื่นมาได้พักตาแจ้งตาแจ้งหงแจ้งขึ้นมาอ้าวภาวนาไปสักพักอ่ารับอีกแล้วง่วงครับผู้ที่าคงจะทิ้งไปมาห่างถ้าอาจจะเดินจงกรมไปห่างสักระยะหนึ่งเขาก็สังเกตนะนะเสร็จแล้วอ้าสักพักหนึ่งง่วงอีกแล้วต้อมาตบหลังจะไปนั่งอยู่นี่มันง่วงไปเดินไว้ เดินโยงกลมเล่นเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งโซซาโซเซหมอจะชนต้นไม้กลับมานั่งที่เดิมอีกอกลับมานั่งที่เดิมแกอย่างเนี้ยเจ็ดแปดอย่างให้ไปมองไปไกลๆดูพระอาทิตย์หายใจลึกๆท่องมนต์อะไรต่าง ๆ, ๆก็ง่วงทุกข์อุบายในที่สุดพี่เจ้าก็บอกเธอคงไม่ได้พักผ่อนมาหลายวันไปนอนซะไป บอกไปนอนเลยนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องนอนแบบมีเงื่อนไขไม่ใฉะนอนแปะลงไปเลยนะให้นอนแต่แขงขวาเอาเท้าเหลี่ยมเท้านอนแบบเอาไอ้มือขวาเนี่ยหนุนชี้ซ้ายใช่ไหมเรีว้วซีหาเสยญาตให้นอนแบบนี้นะถ้าเมื่อไรตื่นก็ให้ลุกขึ้นเลยอย่าไปนอนต่อเนนั้นนะสั่งไว้ฟ้องท่านก็ทําตามนอนแต่แขงขวานอนไปสักพักหนึ่งพอคงจะหลับนะ หลับมันจะทรงตัวอยู่ที่นี่มได้ไหมไม่ได้นะวับลงไปพูดนะหน้าสับดินนะพอหน้าสับดินโพุ่งขึ้นมาเลยทีเนี้ยอวิชชาทั้งหลายระเบิดเลยขเขาเรียกว่าสาตุลิพุ่งขึ้นมาโอ้ข้างในที่ท่านพยายามจะแก้จะแก้ไม่ถูกไอ้ตัวรู้ยังมันแทรกเข้าไปทําลายตัวอวิชชาตัวนี้มีคนถามทีหลังพระมาถามทีหลังว่าทำไมท่านมหาบุรุษถึงถง่งได้มหาโหดขนาดนั้น นุ่งขนาดแก้กันหกวันเจ็ดวันขนาดพูดโดไปแก้ยังไม่ยังไม่ตกเลยนะ่เพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่ามหาโมกขลัเนี่ยเคยบําเพ็ญตนเป็นมหาฤาษีมาหลายชาติในช่วงเป็นมหาฤาษีเนี่ยต้องบําเพ็ญฌานตลอดใช่ไหมเป็นฌานตลอดถ้าฌานตัวนี้มันเป็นสมาธิที่เป็นวิจฉาสมาธิแล้วไปทับจิตไม่เวทับจิตจิตมันจะหนักพอมันจะทําให้ตื่นมันตื่นไม่ได้ ไอตัวสมาธิที่เราทํามาอย่างผิดๆนี่แหละเพราะให้รู้ว่าใครที่นั่งปฏิบัติง่วงเยอะให้แสดงว่าทําสมาธิมาเยอะนะฮะแต่มันเป็นมิฉาสมาธิ <laughs> ใช่ไหมฮะเออง่วงไงก็ง่วงเพราะนั่งสมาธิมานานแล้วมาม า, มาบ่อยมากอะ่ะแต่มเป็นมิฉาสมาธิมาที่เพ่งที่กดจิตตัวเองอะ่ะหลังจากท่านตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหปรากฏว่าธรรมะทะลุทะลวงออกมาหมดเลยบรรลุธรรมด้วยอบายแก่ง่วงเออแปลกไหม นนฮะนอน เ, เออจะต้องนอนสียสายญาติแล้วก็เอาเอาหินอะไรก็ข้างหน้าไว้หน่อยนะจะได้สับให้หนักๆหนะ่อยรู้ขึ้นมาจะได้เลื่อนไหลแล้วมันจะได้เห็นทำชัดๆหน่อยนะรืจะให้ดีก็ต้องเอาตะปูอ่ะไปวางข้างหน้านั่นแหละจะได้สับลึกๆหน่อยก็ปรากฏว่าเจ็วันแค่นั้นได้บรรลุธรรมนะกล่าวเป็นฝ่ายพระสาริมบุตเป็นไง หน้าหน้าเป็นหน้าร้อนอก็เลยขออาสาในช่วงที่พระองค์ออกมาก็ อ, อาสาพัดเป็นผู้ถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าใครรับแขกใครแขกที่ไหนมาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็พัดอยู่ข้างหลังทีนี้กล่าวถึงว่าภาษาลิบุตรสมัยเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยเขามีลุงคนหนึ่งชื่อเดียทีคานาคะลุงคนนี้ก็เป็นเจ้าละทีทีคานาคะนะคะนะคาแปลว่าเล็บใช่ไหมทีข้าแปลว่ายาว ที่คานาัก่เป็นผู้มีเล็บยาวไว้เล็บยาวมากเลยจนลัทธินี้สืบมาจนถึงผู้หญิงอ่ะปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมผู้หญิงชอบไว้เล็บอะไรเล็บยาวประเภทที่คานุ่งสีของทีคานักขทั้งนั้นเลยประเภทเล็บยาวเล็บแดงทั้งหลายนี่นะยังมีอยู่ใช่ไหมเออมันลัทธิสืบทอดมาสองพันกว่าปีแล้วน่าจะไม่หายเลย อ, อ่อทําไมผู้ชายไม่ไว้ว่างไงแปลกใจไหมแต่ทำไมผู้หญิงไว้ก็เพราะว่าชอบลัทธินี้ลัทธินี้สอนอย่างไร ที่จะรู้ความจริงก็คือว่าอย่างนี้หลังจากทีคันนะกะตามบุตริถ้าลุงหลานคู่เนี้ยเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาได้สนทนาได้ถกถามเรื่อง เ, อเรื่องปรัชญาเรื่องจิตวิยาเรื่องธรรมะเรื่องสัจจา ก, กันเลยเแต่ว่ามันไม่ใช่สัจจะที่แท้จริงนะทีนี้พ อ, เ, อเวลาพอนะอีสิบนาทีพอถ้าจะพอนะเรื่องนี้ยาวนะอพอลุงกอา่าก็ตามหาเอา๊ะ พอสิบห้าวันผ่านไปปรากฏว่าจำปุถิเขาเจอกันแทบทุกวันอันนี้สิบวันหายไปไหนหลานเขาเขตามหาหลานก็าใช่ไหมตามหาเพราะไม่มีคู่เจ้าละทีเนี่ยเจองมีคนได้ได้คุยทดสอบสติปัญญาเรื่อยๆอย่นั้นเน่ยอันนี้หลานหายไปหลายวันก็เลยตามหาตามไปตามมาสิบไปไม่ได้ข่า ว, ว่าไปบวชก็ตามไปถึงสำนักของพุทธเจ้าก็เห็นหลานตัวเองถวายงานพุทธเจ้างานพัดพุทธเจ้าอยู่ก็เลยเข้าไปถาม อ้ ه, ท่านสอนอย่างไงเนี่ยตอมบุตรหลานผมคนนี้มันไม่ใช่เชื่อใครง่ายๆนะขนาดผมยี่เอามันไม่ลงเลยขออทํา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เชื่อใครง่ายท่านสอนอยังไงผระ <c oughs> เจ้าก็รู้ว่าทีคณะขาพระเจ้ารัที่คนหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ในร่วมสมัยอะ่ะเอา้าท่า น, ท, านท่านสอนอยังไงเน่ยท่านสอนเห็นว่าได้สนทนาธรรมกันประจําใช่ไหมได้สอนกันยังไงเพอะผมเหลยหลักการของผมใหญ่ๆก็คือสิ่งไหนถูกใจนะ่ะสิ่งนั้นถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกใจถือว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องหลักสําคัญนั่นนะเพราะฉะนั้นคนมันชอบการถูกใจผมว่ก็ถูกต้องแล้วผมก็ส่งเสริมให้เขาทําอะไรให้มันถูกใจกั น, นเขาก็สอนเรื่องรัติถูกใจแล้วอันไรที่ไม่ถูกใจก็อย่าไปว่าไปเอามาชา้าเยาว์มาพูดสอนรายละเอียดต่างๆท่า น, นพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าถ้าสมมุติว่าท่านเป็นโลกคิ้นหนึ่งต้องผ่าตัก เอาหมอไม่ใช้ว่าต้องผ่าตัดทีนี้คนไข้เนี่ยบอกว่าผ่าตัดแล้วกลัวตายไม่ยอมผ่าตัดแต่ถ้าผ่าตัดแล้วลูกนี่จะหายถ้าไม่ผ่าตัดก็จะตายท่านคิดว่าคนไข้ไม่ยอมให้หมอผ่าตัดเนี่ยเพื่อที่จะหายลกูกเพราะไม่ถูกใจเขาเขาไม่ยอมผ่าตัดคุณว่าถูกหรือผิด อ, อ๋อถ้าเขาไม่ผ่าตัดก็การก็ผิดที่ท่านท่านแต่ถ้าถูกใจอ่ะเขาต้องตายคือไม่ยอมผ่าตัดแต่ว่าผ่าตัดแล้วมันขัดใจเขาเขาก็ถึงจะหายแต่ว่าขัดใจเขาแล้วไม่ทำแต่เขายอมตายการยอมใจเพื่อความถูกใจเนี่ยถูกหรือผิดการฝืนใจเพื่อความถูกต้องถูกหรือผิดท่านก็ถามไปฏิและประเด็นประเด็นนี้หรือท่านมีศัตรูคู่เวรต้อง ผูกกัปเวนต้อจะต้ฆ่ากันไปข้างหนึ่งแต่ท่านมีเปรียบผัวท่านมีโอกาสถ้าศัตรูท่านท่านไม่ฆ่าศัตรูศัตรูฆ่าท่านการที่ท่านได้ฆ่าศัตรูเนี่ยท่านพอใจเพราะเป็นความปลอดภัยของท่านแล้วท่านเราก็มาฆ่าศัตรูการที่ท่านฆ่าศัตรูท่านตายแล้วถึงความพอใจเป็นสูงเนี่ยมันเรื่องถูกต้องถูกใจท่านจะไม่ถูกแต่การกระทาถูกต้องไหมท่านถามเป็นกรณีกรณีกรณีไปในที่สุดเข้าทางพระพุทธเจ้าหมดเลยพระพุทธเว้าก็สรุปว่า ดังนั้นความถูกใจความถูกต้องมันเป็นเพียงมายาของเวทนามันไม่ใช่สัจเป็นมายาของเวทนาถ้าคุณไปเอามายาเป็นของจริงเนี่ยมันผิดหรือมันถูกพุณเจ้าก็ถามซักถามซักถามสักถามทีนี้ก็ย้อนถามพุทธเจ้ามั้ว่าแล้วพระคุณท่านเสอนใหญ่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องเวทนาความถูกใจความไม่ถูกใจเป็นเรื่องเวทนาความขัดใจความ ได้อย่างใจเป็นเรื่องเวทนาไม่ใช่เรื่องสัจจะมันเป็นมายาของอาสาทะเช่นเวลาคุณกินอาหารอาร่อยเนี่ยถูกใจคุณแต่อาหารที่อาาร่อยมันมีพิษมากอะ่ะคุณกินไปแล้วนานๆคุณไปโลกาาพาร์ซเจ็บมันไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่มันถูกใจคุณอะ่ะแต่คุณต้องป่วยแต่อาหารบางอย่างเป็นอาหารสุขภาพกินแล้วไม่อร่อยแต่ว่ามันมีคุณภาพมันไม่ถูกใจคุณแต่มันถูกต้องอทําให้คุณอยู่สบายก็หยิบจะรปบอธิบายทีละประเด็นประเด็นประเด็นไป ในที่สุดเพราะว่าไปลึกกว้างขวางมากที่เราสวดไปเ ม, มื่อเมื่เมื่อเช้าเมื่อวานนาเนอะนวเวทนาทั้งหลายเป็นกันใหญ่เลยนะไปหาอ่านรายละเอียดกันแล้วกันในที่สุดคนข้างหลังเกดถวายงานพันบรรลุทางเป็นพระอรหันต์ตาแจ้งเลยตาแจ้งแต่คนข้างหน้าได้เป็นพระโสดาบันเปลี่ยนความคิดได้ เล่นถูกใจถูกต้องเปลี่ยนความคิดของทีฆานั ค, คนะ่าได้ธรรมเทศนากันเดียวแต่ว่ามีผู้เข้าถึงธรรมสองคนคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งเป็นพระโสดาบันในกันเดียวกันเพราะว่าเวทนาที่พระสาริบุตรเข้าใจเนี่ยท่านเข้าใจได้ลึกซึ้งมากแล้วท่านก็มาขยายต่อมาพิจารณาเป็นเรื่องทั้งนี้ทั้งหมดโจนกระทั่งท่านมีปัญญาสูงมากเพราะมาฟังธรรมเรื่องนี้แล้วขยาเอาเองพุทธเจ้าเลยยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นเลือทั้งไหน เลือดทางปัญญาใช่ไหมเป็นปัญญาเทเสนาบดีแล้วยกย่องพระโมคคัลนะว่ามีเป็นเลือดทางไหนทางฤทธิเพราะท่านมีพลังสมาธิสั่งสมมาหลายภพหลายชาติมากพอมาเปลี่ยนจากมิจฉาสมาธิมาเป็นสมมาสมาธิเนะีมม่คุณใช้ได้ทำฤทธิ์ทั้ ง, งปัญญาพลังทงพลังทางฤทธิ์ใช้ปัญญาเป็นพลังทางฤทธิ์อันนี้พลังทางปัญญาทางเหตุผลคือพระสารีบุตร ดังนั้นใครก็ตามที่ลงลึกในรายละเอียดเรื่องเวทนาได้เนี่ยปัญญาของเราปัญญาโลกุตรปัญญาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากมายแต่โลกียะปัญญามันจํากัดจํากัดเพราะหนึ่งชาติกะปัญญาคือได้รับจากบรรพบุรุษมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นบรรพุรุษของเราฉลาดมาเท่าไหร่แล้วก็ขยายไปนั้นไม่เท่าไหร่ เช่นว่าเรา เ, เป็นลูกของนักกฎหมายเราก็ยังมักจะเป็นนักกฎหมายตามพ่อตามแม่พ่อแม่ของเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเราก็ยังมาเรียนตามพ่อแม่เราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ยังมาเรียนตามนั้นอันเรียกว่าชาติชิกัปัญญาแล้วก็สองถ้าคนไห น, นํามาบริหารจัดการเคื่อมีการศึกษาเกิดขึ้นบริหารนี่กับปัญญาราก็จะระบบการศึกษาขึ้นมาปัญญาโลกียะเหมือนกัน สามนิปปการปัญญาคนที่อชอบเหตุชอบผลชอบสื่อสารด้านปัญญาจิตวิทยาเนี่ยเป็นนิปปการปัญญาที่จะนําไปสู่าการแก้ปัญหาด้านจิตใจได้อันนี้เขาเรียกว่าจากัดในแง่ของโลคิยะแต่โลกุตระปัญญาเนี่เกิดสามทางเมื่อกันหนึ่งโดทางสุตะมายาปัญญาได้ ว, ว่าสุตะปัญญาที่เกิดโดยการฟังชอบฟังคนที่ชอบฟังเนี่ยปัญญาจะเกิดมากสอง ฟังแล้วไม่ใช่ฟังเฉยๆเอาไปพิจารณาใกล้ขวดหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายหาอันไหนจริงอันไหนไม่จริงสมอันไหนเป็นจริงแล้วเอาไปพิสูจน์พิทดลองเรียกว่าภาวนาเมญะปัญญาเพราะนั้นปัญญาที่เป็นโลกุตระเกิดสามทางคือสุตะจินตะแล้วก็ภาวนาแต่ว่าโลกิยะปัญญาเกิด3ามทางเหมือนกันไชชาติกปัญญาได้บรรพุรุษมาดีปริหาลิกปัญญาได้รับการศึกษาแล้วก็นิปปากาปัญญาเป็นคนชอบทางด้านเหตุท่านผล จะนํามาสู่ตัวโลกุตละได้นะดังนั้นที่ว่ามันไม่จํากัดเพราะว่าเมื่อไรเรามีการพยายาิจารณาตัวสภาวธรรมที่เป็นเวทนาเรื่อยๆเนี่ยภาวนามญปัญญามันจะเติบโตวันโลกุตละปัญญาจึงไม่จํากัดขอบเขตในการเติบโตแต่โลกิญะปัญญานั้นจํากัดขอบเขตในการเติบโตนั้นภาษาลิบุตรมีปัญญาทัดเทียมกับพรนะพุทธเจ้าอ่า เมื่อไรถ้าว่ามีแขกมีคนมาพบเนี่ยท่านติดธุระติดอะอยู่ท่านก็ให้ไปหาภาษาลิบุตรเวลาพระต้องการฟังธรรมท่านก็ไปหาภาษาลิบุตรใช่ไหมตามประวัติเพราะท่านเล่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นธรรมเทศนาที่ท่านได้รับทราบรับฟังจากพระเจ้าการนี่ชื่ออะไรนะเวทนาปริฆหาสูตรไปอ่านรายละเอียดจากพระไตรปิฎกก็ดดกแล้วกันนะเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องเวทนามันเน้นย้ําเรื่องนี้มาก พราคนปัจจุบันคนที่มีการศึกษาเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเอาเรื่องนี้มาพูดได้เลยและถ้าหาคนมีการศึกษาเหล่านี้มาเล่นเรื่องนี้แล้วเขาก็เป็นสมาธิที่เมื่อเป็นสมาธิทีิคนที่มีการศึกษาเป็นสมารถที่ด้วยจะช่วยโลกช่วยสังคมได้ขนาดไหนดวงปัญญาเขาจะเกิดมากขนาดไหนหาาเนี่ยมหาศาลเลยเนี่ยโลกมันจะฟื้นด้วยด้วยคนที่เป็นสมาธิที่ในกลุ่มนี้แม้ว่าอีกสิ่งหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงก็พวกนี้จะต้องได้รับวิบาก กำตำไปตำเรื่องของเขาแหละเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่คนสมาธิถี่เขาจะมีวิธีที่จะรักษาตัวเองเป็นดังนั้นอนมามัยเองก็เลยอริยะแหลงในการอบรมการจัดคอร์สเนี่ยเอามาจะเพิ่มเรื่องของสุขภาพาเข้าไปเพราะอะไรเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่ใช่รุ่นหลังรุ่นก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านแสวงธรรมมาตลอดชีวิตเนี่ยถ้าท่านเข้าถึงธรรมเป็นอนริยบุคคลอายุท่านมากแล้ว 60, สิบเจ็ดสิบแปดสิบด้วยวิบากกรรมที่ท่านได้เอาทำตบะทำความเพียรมาตลอดชีวิตนะขันคาดขันรับไม่ไหวแล้วใช่ไมพอบรรลุธรรมก็ป่วยแล้วพอป่วยยังมานั่งสอนเราได้เท่าไหร่แล้ เ, เห็นนะ่ะหลวงปู่หลวงตามีชีวิตอยู่ก็ไม่พร้อมที่จะสอนเป็นนามาพอมาภะาเป็นอะไรต่ออะไรไปอามาก็มาเห็นว่าอ๋อ ในช่วงของการบําเพ็ญตะบะเนี่ยถ้ามาดูแลธาตุขันเื่อลวลาเข้าถึงสภาวธรรมแล้วในธาตุขันเราทํางานไม่ไหวแล้วอายุก็จะไม่ไปไม่นานอามาเห็นปัญหาเหล่านี้ก็มาแก้ด้วยวิธีว่าขณะที่เราปฏิ บ, ททำบำัติทําบําเพ็ญตบะบริหารธาตุขันไปด้วยไม่ให้ธาตุขันของเราเสื่อมสมได้ไวเมื่อเราเข้าถึงสภาวธรรมแล้วเราก็จะใช้ธาตุขันที่เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่สิทธิรรมไปอีกได้ยาวมันก็เป็นผลดีต่อต่อโลกใช่ไหม อันนี้เหตุผลนันหนึ่งว่าทําไมต้องมาธํามาต้องมาเต้นไลท์เต้นกาทําเรื่องเหล่านี้มันมีเหตุผลนะเพื่อที่จะให้ละธาตุขันของเราเนี่ยมันมันรับใช้ธรรมะไปได้นานๆแล้วญายมเกิดเอาตามบ้างญายมก็จะเป็นเจเนเรชันที่สามารถทําเรื่องนี้ได้ยาวนานใช่ไหมโดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆที่เข้ามาเรื่องนี้อามาอพอใจมากพราะอะไรเพราะถ้าเข้าถึงสมาธิโดยสมบูรณ์ใน ครั้งใครั้งหนึ่งแล้วนะเขาก็สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณท์ทางธรรมในช่วยคนในรุ่นของเขาเนี่ได้มากมายนะดังนั้นเองเราก็จากระ ต, ตุ้น เ, เราให้พวกเราได้ปฏิบัติให้มากแล้วทำให้ถูกต้องเอามาเป็นเป็นผู้ที่จะให้ความปรึกษาได้รับรองว่าทา ม, มาผิดออามาก็ต้องผิดก่อนไม่ใช่โ ย, ยมผิดนะเพราะนั้น له. เราก็ต้องมาปรึกษาหาหรือมาทบทวนกันหลายหัวดีกหัวเดียว ว่าสิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยมันถูกตรงไหนมาผิดตรงไหนแล้วก็มาปรึกษาหรือตล้งมาเชิญแก้ไขเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ก้าวหน้าทางด้านใจธรรมได้โดยไม่ยากนะฉะ น, นั้นวันนี้เรื่องพูดเรื่องของปู่จาก็ยาวมาถึงเรื่องนี้เลยก <c oughs> ็หมดเวลาแล้วครับมรณาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องและรู้ปู่พงจนเกิดแสงสว่าง แห่งปัญญาสามารถนำจิตวิญญาณของตัวเองเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเืนิด